วะฮลูล้อก ل ดตมิลิ ي า ب ิยบ و วาวโควลี فعنا بماعلمنا ت وعلمنا م ا ي ن ف ع ن ا و ز د و إ ن ا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا متوفانا บ่หน้า ظلم หน้าอั ن ฟ و อิ่ลลัมเ ل อ ا ิร์ลหน้ ل ว่าร์ห ا ห์มหน้าลัหนั ن ุนหน้า ن ินอัลข้าสีนอบ่หน้าเ ر ติน่าม ا นหลดุนคาระห์มัตน سبحانه و تعالى ا ل ح a m لله i ل l a h ัลลฮ์ัลล ل ์ัลลฮ์ ع ล ا ฮ์ัลลฮ์ัลลฮ์ัล และ حفظنا م ากทุกข์ทุก ك ์ที่ไม่ดีขอพ ر ะเจ้าทรงอวยพรให้เราด้วยพระครับคงจะเป็นทรงอวยพ้ายสําทรงอวยหเราด้ะคุณอะองค์ขอพรท้ายของพระรเจ้าทห้เรารบรทรอรเาะุ์าทรงอวะพะองพงบรรดามุชริกีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่พระองค์ Allah سبحانه และก็ تعالى พยายามจะเชิญชวนด่าว่าผ่านท่านนบี Muhammad صلى الله عليه وسلم ให้เชื่อในพระองค์ Allah ให้เชื่อต่อวันอาคยร์แต่สุดท้ายหลังจากที่ท่านนบี صلى الله عليه وسلم ได้ทำหน้าที่ในการ อธิบายในการสาธยายในการเรียกร้องเชิญชวนทุกวิถีทางนะครับใช้เครื่องมือต่างๆใช้กระบวนการต่างๆใช้อุสลูบนะที่แตกต่างในการที่จะเชิญชวนพวกเขาผลลัพธ์เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาดูกันอิชะลอฮฺสุภาหวะตะลเริ่มตั้งแต่อายัดที่สาสิบสาม จนถึงจบเลยนะครับสามอายัดเองนะสามสิบสามสามสิบสี่แล้วก็สามสิบห้าวันนี้จบแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นซุราะใหม่เดี๋ยวดูกันว่าซุราะอะไรมาอ่านกันก่อนอ้าวุบิลลากิมินัลชัยตานอรลรจีม เอ ل م ير ล้มย่รَูอَนนั خلق السموات والأرض ولم يعية بخلقهم บุค أ َ ن ี่สามารถยุติความَายไดَ้ ي ่ไม่ใช่ ع َ ل َ ى เขาเป็นผู้ทรงอำน ر จ و َيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ا ل ن َّ ا أَلَيْسَ ه َ أ هذا ذ ا بالحق قالوا بلا وربنا قال فلقول َ عذاب َ بما َِ كنتم ت َ ฟัซบิร์แค่มาศับรัอลุละจมี์์์์์์์์์์ ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار บลากุฟะฮ์ลยุหลกุอิลล์ขุมุลฟาซิกุอะ a l h a m d u l ล l l a h สามอายัดเน้นเน้นเป็นเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยนะครับสามอายัดนี้ จากตั้งแต่เริ่มต้นส ah ุรตุลออบอัลลาลาพยายามนะครับที่จะเรียกร้องพวกมุชริก the ีนให้ศรัทธาในประเด็นหลักๆในศาสนาอิสลามเนี่ยพวกเราสังเกตไหมเวลาที่เราบอกว่าเราเชิญชวนคนอื่นเชิญชวนเวลาที่อิสลามเชิญชวนมนุษยชาติให้ยอมรับ อัลลอฮฺ سبحانه แวะเนี่ยมันมีหลายแบบคนมันมีหลายแบบบางคนยอมรับในเรื่องบางเรื่องบางคนแล้วก็ปฏิเสธ อ, อีกเรื่องบางคนก็คือไม่รับหมดเลยบางคนก็คือไม่เชื่อตั้งแต่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงไม่เชื่อเลยทั้งหมด แต่บางคนก็แปลกบางคนเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่เรื่องอื่นไม่อยากเชื่ออย่างพวกมุชริกินเนี่ยพวกมุชริกินมักกะเนี่ยเป็นพวกที่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์แต่ไม่อยอมเชื่อว่าจะกลับจะกลับไปสู่อัลลอฮ์หลังจากที่ตายไปแล้วไม่เชื่อในวันอัคคีรักไม่เชื่อในในตัวท่านน บ, บี Muhammad صلى الله عليه وسلم แปลกไหม นี่คือสมัยสมัยของท่านนาบีไอคนที่ปฏิเสธพระเจ้าร้อยเปอร์ซนตเลยในสมัยของท่านนาบีสุลต่านซัลลัมเนี่ยลลอัลลอฮฺองอามนะถ้าดูตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์เรื่องราวที่อัลกุรอานพูดถึงเนี่ยน่าจะมีน้อยมากๆหรือถึงขั้นไม่มีเลยก็ได้แต่ถ้ามีก็มีน้อยมากๆอ่ะคนที่เป็นอะไรแลนะอะดัริยูนพวกที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดเนีเ่ย น่าจะมีน้อยมากๆอ่ะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่เชื่อในรูบูบีอะในรูบูบีอะก็คือเชื่อว่า a l ล a h จะาาเป็นผู้สร้างท้องฟ้าเป็นผู้สร้างแผ่นดินเป็นผู้สร้างทั้งหมดที่พวกเขาเห็นแต่ปฏิเสธอูลูฮีอะของ Allah ปฏิเสธที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่พวกเขาเคารพพักดี กลับไปชิริกต่างๆนานาไปพึ่งสิ่งอื่นฟังดูเหมือนๆว่าคนเหล่านี้จะเป็นมุสลิมหรือฟังดูเหมือนๆกันว่ามุสลิมในสมัยปัจจุบันนี้อัลลอฮ์มุสตาอานอาจจะคล้ายๆกับมุชริกีนใช่ั้มมุสลิมบางคนก็บางที่บางทกีก็เชื่อว่ามีอัลลอ์มีอะไรแต่ว่าพอไปสู่ในภาคของการเคารพอิบาดาห์ก็ดีในการทำความดีในสาง ไม่ค่อยเชื่อในวันอัคิีระห์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางทีอายะต่างๆที่พูดถึงมุชริกีในสมัยของท่านนาบีสุลตาร์สัลลัมพวกเราที่เป็นมุสลิมในยุคปัจจุบนันจะต้องมานั่งทบทวนให้มากๆเพราะกลัวว่าเราจะมีนิสัยเหมือนมุชริกีนในสมัยอ ด, ดีตเนี่ยคําพูดเนี้ยอวัลลัมยาเราคนที่ไม่เชื่อต่วันอัคคีระห์เนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์แต่ละมีจริงในโลกดนียานี้แต่ไม่เชื่อว่ามีวันอัคคีระห์ก็มีอะคนแบบนี้ ก็สมัยท่านนบีก็เป็นคนแบบนี้อะพวกผู้ชีวิกีในสมัยนบีก็เป็นคนแบบนี้ละตะลาก็เลยนะเป็นตอนสรุปแลวอายัที่สาิบสนี้ว่าอย่างไงอวลัมยอันลลฮัลีลักั่์วตัลอัรับลัมยัยยับัลัลกิฮินพวกเขาไม่ได้ดูพวกเขาไม่ได้เห็นหรือว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินทาไมละตะลาพูดอย่างนี้เพราะพวกผู้ชีวิตีเชื่อไงว่าละตะลาเป็น ผูท้องฟ้าแล้วก็แผ่นดินนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อัลาลอฮฺจะพูดอย่างนี้กับพวกมุชลีกีในสมัยของข่านนบีพวกเขาไม่เห็นหรืว่าท้องฟ้าและแผ่นดินที่อัลาลอฮฺสร้างมาทั้งหมดเนี่ยพระองค์เป็นผู้สร้างวลัยอยะาเบคลกินนแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้อัลาลอฮฺนั้นหมดแรงหมดพลังหรือว่าเพลียงพล้ําไม่มีเรียกว่าพออัลละฮาฺาสร้างท้องฟ้าเสร็จ แล้วอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกําลังที่จะสร้างอย่างอื่นต่อแล้วหรือใช่ไหมถามว่าคําถามนี้เป็นคําถามอะไรเป็นคําถามในเชิงต้องการสะ ก, กิดให้พวกมุสลิมเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะลอตเตอราจะจะทรงเหน็ดเหนื่อยจากการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมุสลิกีนเองก็เห็นอยู่กับตาว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตามที่ลอตเตอร์ตั้งคําถามตรงนี้เพื่อที่จะอิงก้าวความคิดแบบนี้ ในเมื่ออัลลอตรลาสามารถที่จะสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินและทุกอย่างบนโลกดูเ น, นียนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้พระองค์เนี่ยหมดอำนาจลดทอนอำนาจของพระองค์แต่อย่างใดเลยแล้วจะทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โลกนี้มันสูญสลายไปพระองค์จะทำลายมันให้หมดสิน้นแล้วพระองค์จะสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันยากตรงไหนนี่คือคาถามของอายนี้ ว่าไม่ย้ายไป خلق ินนับ قادر ในอันย้ายล่วงตายถ้าพระองค์สามารถทำทุกอย่างได้แล้วครั้งแรกอะ่ะแล้วพอมันสูญสิ้นไปพระองค์จะทำให้สิ่งที่มันตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันยากตรงไหนสำหรับพระอง<ๆ>ค์ก็ในเมื่อตอนแรกมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วพระองค์ก็ทำให้มันขึ้นมาแลวมันก็มีไอตอนที่สองเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากศูนย์แล้วนะมันเกิดมาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอาครัฐเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่มีมาก่อนในขณะที่ดุเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากไม่มีถูกต้องไหมโลกเนี่ยมันเกิดมาจากชีวิตในโลกดุเนี่ยมันเกิดมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วพระองค์ก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาในขณะที่อาครัตเนี่ยเกิดมาจากอะไร เกิดมาจากดุนีาที่มันมีอยู่แล้วและพระองค์ก็ทําให้มันดับศูนย์และทําให้มันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามองกันตามสติปัญญาความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยอันไหนมันจะยากอันไหนมันจะง่ายกว่ากัดอันแรกหรือว่าอันที่สองอันที่สองง่ายกว่ากันเยอะสําหรับอัลลอฮ์เนี่ยอันแรกกับอันที่สองนี่มันเท่ากันอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เรากําลังใช้ดาริลอักลีในการที่จะอธิบายให้กับบรรดาคนที่ปฏิเสธวันอัคคีระห์ีือว่า เฮ้ i, อาครอเนี่ยมันง่ายกว่าดุนยาอีกนะเอาเข้าจริงอะ่ะเพราะอะไรเพราะอาคีรอเนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในขณะที่ดุ尼เนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีพอเข้าใจไหมครับวิธีการนี้วิธีการอิสติดลัลนะเชกซ่ดิบอกว่ายัางไงฮาซาฮาลาอิสต al ิดลัลุนมินุต่อลาัลออาดะบดลม์นี่เป็นการยก د ล ي ل จากอัลลอี่บอกว่า พระองค์จะทำให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนลังจากตายไปแล้วบีมา و ัวอ ا ปละโรมินฮะวะหัว خلق السموات ا والارض على عظامهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن ي ك ت ي ك ت ر ث بذلك ولم يعيب خلقهن فكيف ت ع ج ز ه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير คำพูดเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้ในเมื่อ ท้องฟ้าที่เราเห็นมันใหญ่ขนาดนี้เพราะแผ่นดินที่เราเห็นมันไพศาลขนาดนี้พระองค์สร้างขึ้นมันมาได้อะแล้วมันจะไปยากอะไรกับการที่พระองค์จะทำให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชีวิตของเราสูญสิ้นไปแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับในแง่หนึ่งอควานี้เนี่ยเป็นการเตาบีเตาบีช ก, ก็คือประนามในเมื่อข้อเท็จจริงมันชัดเจนขนาดนี้แล้วยังจะหัวแข็งทำไม่เตาบีช มุชริกีนประนามพวกมุชลิกีนพวกมุชลิกีนถามว่าเห็นแบบที่ ท, ที่อัลตัลาพูดอย่างนี้หรอือเปล่าก็เห็นนะแล้วทำไมยังไม่ยอมเชื่อทำไมยังไม่ยอมเชื่อทำไมยังหัวแข็งอยู่อีกก็เลยประนามเป็นการตำหนิแบบแรงๆอาวาลาเมยยเราไม่เห็นนะก็เห็นนะเห็นแล้วทำไมไม่ยอมศรัทธาอ่านี่คือการประนามอย่างงี้หนึ่งนะครับเป็นการประนามคนเหล่านี้เอง หลังจากที่พูดอย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระองค์ก็ตอบบาลาอินนุอัลากุลิชัยอินกอดีเป็นการทวนคำตอบอีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่แท้จริงแล้วอลัลลอลานั้นเป็นผู้ที่ทรงมีความสามารถในทุกๆอย่างอันนี้ติดผ น, นึกเลยไอความเชื่อต่างๆยังจะลังเลยังจะสงสัยยังจะคลางแคลงพระองค์ไม่มีไม่ ไม่เปิดช่องทางให้มนุษย์เกิดความคลางแคลงในความสามารถของพระองค์ได้เลยบลล์อินโนฮวาลาคุลิชาอันกอดประกาศแบบเน้นๆหนักๆปิดผนึกไม่ให้มีความคลางแคลงสงสัยจะคลางแคลงและสงสัยได้ยังไงอีกย้อนกลับไปดูไอย้อนกลับไปดูใหม่แล้วพอมาดูพิจารณาดูให้ทีทั่ทวมันไม่มีจุดที่จะทาให้เราคลางแคลงและสงสัยในความสามารถและความมีกุศล ความเปลียงไกลของลอฟเวาต์ตะอลาได้เลยนี่อันนี้คืออายัที่หนึ่งเป็นการปูสะกิดความรู้สึกปลุกความรู้สึกให้พวกมุสรินเนี่ยเหมือนกัาว่าถ้ายังหลับอยู่ให้ตื่นได้แล้วอะถ้ายังหลับอยู่กับความหลงทางความงมงายความดื้อรั้นเนี่ยถึงเวลาตื่นได้แล้วอย่าหลับอยู่ในกูฟอตอย่างนี้เลย ถึงเวลาตื่นจากกโฟูได้แล้วใช่ไหมครับนี่พูดมาทั้งหมดนี่ต้องการให้ตื่นนะไม่ต้องการให้หลงอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมขึ้นมาสักทีหนึ่งหมดเวลาแล้วนาะที่ใจจมปลักอยู่กับความคิดแบบคิดแบบแบบแบบเดิมๆนะที่พยายามจะดื้อรั้นกับมาลอดวาต่าลาไม่มีเวลาแล้วหมดเวลาแล้วพอแล้วกลับไปหาอัลลอฮฺตาอัลาได้แล้วอ่าเหมือนประมาณ น, นั้นเพราะว่า ถ้าสมมติถ้าสมมติยังหลับอยู่ยังจมปลักอยู่กับความคิดนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงว่ายวมยูรัดุลละีนคาฟารูอัลนาอัไอซ์ฮะดาบิล ق ا ل ุบลาวรับนะกาวฟาดุคุลอาดามบิมาคุนจุมจักฟูรุถ้ายังไม่ยอมตื่น ถ้ายังจมปลักอยู่กับความคิดเดิมๆความคิดชั่วๆความคิดที่ไม่ยอมศรัทธาต่อลอส์มอลต์อะไรพอถึงวันที่ต้องเจอกับความจริงในวันอัคคีรัตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวันอัคคีรัตคือวันที่ยูอัุลลัฎีนกัฟซรูอัลละนะวันที่อัลลอฮ์ตรัสละจะนําบรรดาคนก้าวรที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์องลอส์เนี่ยเอาไปไหน ยรอดยกอดก็คือเอาไปเสนอเอาไปเสนอให้กับนรกเลยวันอะเคโรห์เนี่ยยกอดุลเดีนะครฟารูอัลนารเอาไปเหมือนกับไป <co ff> ถ้าจะใช้ภาษาก็คือหมดเวลาที่เราเอาไปให้โดนไฟอะเอาไปให้เห็นไ ฟ, ไฟนรกว่ามันเป็นยังไงเอาให้ให้ไปอยู่ใกล้ๆนรกหรือเอาไป เข้าไปในนรกเลยเนี่ยนี่คือวันอาเครอวันที่ความจริงจะเป็นอย่างนี้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยอันนี้แปลกมากอายัดนี้นี่แปลกมากๆเป็นน้องครับชาวมุสรินที่จมปลักอยู่กับความความหลงทางเนี่ยถามว่าเขาเชื่อในนรกไหมเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรหน้าที่ของเรายังคงต้องต้องบอกอยู่ดี เรามีหน้าที่จะต้องบอกให้เขารู้ทำไมเราต้องบอกให้เขารู้เพราะว่าการบอกให้เขารู้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในม ظاهر อัลละห์มะม ظاهر อัลละห์มะเป็นหนึ่งในความเมตตาที่อิสลามมีให้กับคนที่กำลังจะปฏิเสธวันอฟคร์ถ้าเราไม่บอกเขาเนีย่ยแสดงว่าเราไม่มีความเมตตายังไงเราก็ต้องบอกให้เขารู้ วัดอะเคระเป็นยังไงเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็แล้วแต่เราต้องบอกให้เขารู้ว่านี่ถ้าตัวเองไม่ศรัทธานะพอวันหนึ่งพอถึงวันอะเคระนะตัวเองจะต้องเข้าไปในนรกนะจะต้องโดนลงโทษจะร้อุสบาวจะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะต้องบอกเราเป็นมุสลิมเราต้องบอกให้พี่น้องที่ไม่ใสไม่ยอมชื่อห็น Allah แต่ละต้องบอกให้เขารู้การที่เราบอกให้เขารู้เนี่ย คือความเมตตาของอิสลามที่ต้องการให้คนเหล่านี้เผื่อว่าวันนี้เขาไม่ศรัทธาไม่เป็นไรแต่บางทีข้อมูลที่เราบอกเขาไปวันนี้เนี่ยสักวันหนึ่งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดเขามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาฉุดเขาให้ออกไปจากความคิดเดิมๆไ ด, ด้ถ้าเขาไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยเขาจะกลับไปที่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องบอกต้องบอกให้เขารู้จักอัลลอฮ์ละ ต้องบอกให้เขารู้จักว่าวันอะคริร่าเป็นอย่างไรเขาไม่ศรัทธาวันนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งถ้าเขาอยากจะกลับไปนี่เขาได้นึกถึงสิ่งที่เราบอกวันนี้เขาจะได้เข้าใจและก็ยอมรับกลับไปหาเอาล่องสุภาณวตาลาได้นี่เราอย่าคิดนะครับว่าเราไม่ต้องบอกให้กับคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อวตาลาเรื่องราวของอาคริร่าก็ดีเรื่องราวของอลัลกุรอานก็ดีเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดก็ดีบอกด้วยวิธีการที่เราสามารถจะบอกได้ จำเป็นนะครับบางทีเราก็ต้องต้องมานั่งทบทวนเหมือนกันแหละหน้าที่ของเรานะครับเนี่เอาคุรานนิธรรมหน้าที่ทุกอย่างเลยนะถ้าเป็นคนที่ดื้อรั้นอ่าทำหน้าที่อย่างนี้ใช้หลักการในการพูดอย่างนี้แล้วก็มีตําหนิบ้างมีประนามบ้างแต่สําหรับคนทั่วๆไปอ่าก็บอก ต, องตรงๆอยาาาามุรรรดดลลลีนนกวันที่พวกบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอสวาต า, านั้นถูกนาเสนอแก่นรกนั้นเป็นยังไง อะไรอุษาฮาซาเป็ฮักอลัอลอลอฮะตาเราจะถามว่านี่ไงเรื่องจริงหรือยังทีนี้ของจริงหรือยังวันนี้ได้เจอของจริงหรือยังนะตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานปฏิเสธมาตลอดวันนี้ได้เจอของจริงหรือยังระวังให้ดีนะถ้าเราปฏิเสธวันหนึ่งเราจะต้องเจอของจริงแล้วเรายังจะกล้าปฏิเสธอีกไหมแน่นอนว่าวันนั้นเนี่ยจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธ อ, อีกก็ลู บลาอัลลอบฺบินากอลนะูคนที่ต้องเข้านรกเหล่านี้ก็จะบอกว่าไม่เลยยนะาอัลลอ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงบลาใช่แล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงขอสาบานด้วยอัลลอ์ด้วยพระองค์อัลลอฮฺมาด้วยพระผู้อภิบาลของเรายาอัลลอ์มันจะมีประโยชน์อะไรอีก <laughs> อะ มันจะมีประโยชน์อะไรอีกพี่น้องครับบางทีนะในการยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่ต้องรอถึงวันอาคราะรอเลยคนที่เป็นหัวหน้าบรรดาคนปฏิเสธอัลลอฮ์ในโลกดุนยาเนี่ยคือใครหัวหน้าของของมุชริกีนของกาฟิรีในดุนยานี่คือใครคนที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้ามาก่อนในโลกดุนยานี้คือใครครับมีไหม เรากูอ่านพูดถึงใครบ้างที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าใครบ้างอะที่เคยตัวละครตัวไหนบ้างที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกุนี้ที่เคยเป็นปฏิปักษ์กับนบีของตัวเองในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดมีไหมคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้ามีไหมไม่ใครได้ยินนะไม่ได้อีกไม่มีสมัยนบีอิสลามีไหมคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้า คูดคู่ปรับของน บ, บีอีซาไม่มีมีแต่มีแต่บรรดาอ่านาซรอผู้ติดตามช่วงหลังๆนี้ที่อ้างว่าท่านนาบีอีสานั้ น, นเป็นพระเจ้าแต่ว่าคูปรับของอีสาเองมีไหมที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าไม่มีสมัยนบีมูซาละ่ะมีไหมสมัยนบีมูซาคือใครครับฟิรอางู์ وقال أنا ربكم الأعلى มเเอ่เอฟิรอาอเป็นเป็นตัวละครที่เอ้องต่อหน้ามเสาว่าตัวเองคือคือพระเจ้าต้องรอให้ถึงวันอาคราหไหมที่ฟิรอาอุนเนี่ยจะกลับตัวอะไม่ตอนไหนที่ฟิรอาอุนกลับตัวครับ ตอนไหนที่ฟิราอานประกาศว่าตัวเองศรัทธาในอัลลอฮฺสุบะฮฺร์ราะซฺลาลาแล้วตอนไหนตอนที่เห็นนรกเรีย่ยงอ่ะไม่จำเป็นไม่ต้องถึงวันที่เห็นนรกหรอกวันที่ตัวเองกำลังจะจมน้ำตายวันที่ตัวเองกำลังจะหมดลมหายใจฟิราอานว่ายังไงอ่ า, อานะตอนนี้แหละฉันขอศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะฮะาลาถามว่ามีประโยชน์ไหม ใ น, นขณะที่ตัวเองกําลังจะตายไปไม่รอดแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาศรัทธาว่าสิ่งที่มูซาอุษาเชิญชวนเนี่ยมันคือความจริงมาศรัทธาตอนที่ลมหายใจกําลังจะหลุดจากร่างอะไรแต่ละจะไม่รับอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันมีสเต็ปของมันอะมันมีช่วงเวลาของมันใช่ไหมคําถามของลักษณะมันมีช่วงเวลาของมันวันนี้ ยังคงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ยอมรับแต่สักวันหนึ่งถ้าเจอกับเรื่องหนักๆเจอกับเรื่องแล้วมันจนมุมไม่รู้จะกลับไปหาใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเฟตรอสันดานสันชาตตยานเดิมของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องกลับไปหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล น, นี้ก็คืออำนาจของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นย่ารอถึงวันนั้นเลย อย่ารอถึงวันนั้นเลยนี่เราขอเรียกรองทุกคนว่าอย่ารอถึวันนั้นเลยพยายามทําความรู้จักกับวัฒลธรรมต่างๆตั้งแต่วันนี้ดีกว่าอย่ารอให้ถึงวันที่พอเราจนมงแล้วไม่รู้จะไปหาใครแล้วเราจะไปไปรับตอนนั้นน่ะบางทีมันอาจจะสายเกินไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าหากว่าไปยอมรับในนรกวันอียาตุบิลลาให้มันตายไม่มีทางที่จะกลับตัวได้เด็ดขาดนะ يا ALLAH لا إ ل ล إلا ละว a h لا حول ولا มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจกับประเด็นนี้นะบางทีพี่ผมมีความรู้สึกว่าบางทีพี่น้องมุสลิมพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมกันเองตอละนเลยเรื่องอคิีระห์มากเราอย่าไปว่าคนอื่นเลยบางทีเราเราต้องการให้คนอื่นเข้าใจอคิีระห์เนี่ยเราเองบางทีก็ยังไม่ได้มั่นคงกับอาคิีระห์เท่าไหร่บางทีมันก็มาความรู้สึกี่แบบว่าอารอมันเฉย การศรัทธาต่ออาขิราะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตคนเอาง่ายๆเลยแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเองถ้าไม่มีอาขิราะเนี่ยก็อยู่แบบคนไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันนะตัวมุสลิมเองเนี่ยต้องมานั่งทบทวนการศรัทธาต่อวันอาขิราะนี่อยู่เสมอเลยเมื่อไหรก็ตามที่การศรัทธาของเราต่อวันอาขิราะมันลดน้อยถอยลงพฤติกรรมของเราก็เริ่มที่จะ ออกแนวคนที่ยึดติดอยู่กับชีวิตในโลกดุนิยานี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการศรัทธาตะวันอัคราเนี่เป็นอะไรที่เราจะต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาสวรรค์ น, นรกอะไรยังไงเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์มันจะช่วยควบคุมเราไม่ออกนอกลูก่นอกทางไอ้ที่เราออกนอกลูก่นอกทางเพราะว่าอ่ช่วงนั้นใจเรามันล่องลอยมันไม่ได้ยึดอยู่กับแก่นสารของการที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะวะตะอัลละนี่แหละ คือความสำคัญของการที่เราจะต้องมานั่งทบทวนเรื่องอะรงั้นหรอนะครับอยู่ il allah, บ่อยๆอิลลัลอฮิลลอห์อัสซาฟุลลอฮวาอตูบิอะไรบรรดาซาบะทำไม่ที่เขาใช้เวลากับกับพรกพวกเนี่ยเวลาที่เจอกันเนี่ยอ่ะมามานั่งหน่อยมาเพิ่มอิหมานกันหน่อยเพิ่มอิหมานด้วยอะไรด้วยการสิกุลลอห์ด้วยการริลึกจัลลอห์ด้วยการทบทวนเรื่องต่างๆเหล่านี้ ให้เข้าให้เ <g> ข <departure> ้าใกล้กับอาเคโะห์ให้มากเพราะว่าพอถึงวันอาเคโะห์แล้วมันไม่มีโอกาสอีกนะครับจะทําดีอะไรก็ไม่ได้จะศรัทธาอะไรก็ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ทบทวนในวันในวันุในโลกดุน ي านี้ทบทวนในโลกดุ ن ยานี่อย่าน้อยมันอาจจะเปลี่ยนให้เราปรับปรับพฤติกรรมให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเราไปทบทวนในวันอาเคโะห์เราจะปรับอะไรได้อีกอะ เราปรับไม่ได้แล้วเราะต้องต้องทบทวนในดุเนียนี่แหละอย่าไปพูดคุยกับอัลตัลลาห์ในวันอาคราะห์เลยราะมันมมีประโยชน์อีกแล้วบอกอลูรบบลลอหรอบบีนะไม่มี ป, ประโยชน์แล้วเพราะสุดท้ายอัลตัลลาห์ก็บอกว่าอ่ายอมรับแล้วใช่ไหมอลัลละฟะูกุาุุุุบุุกุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุกุจุลุาาพาพาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุะ ที่พวกเจ้านั้นเคยปฏิเสธมาก่อนในสมัยที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี่แหละอธิบายง่ายๆ่ายสั้นๆอย่างนี้แหละถ้าไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์วันหนึ่งจะต้องกลับไปหาพระองค์จะต้องโดนการลงโทษจากพระองค์เราจะได้เห็นทุกอย่างเป็นความจริงวันนั้นไม่มีทางที่จะกลับมาขอร้องจาอัลลอฮ์สุบฮานะตะอลาได้อีกแล้ววะลัยะบบิลลาอิมลดาลอันนี้คืออายที่สอง เป็นการบันเยเป็นการใบญานเป็นการบ voted, ารรยายว่าสุดท้ายถ้าเจ้าไม่เชื่อมันจะเกิดผลอะไรมาถึงอายัสุดท้ายอายตสุดท้ายเนี่ยไม่ได้พูดถึงมุสริกีนแล้วแต่พูดถึงท่านนบีมุ hammad สลหละวะลาอัลลอฮ์สัลลัมสองอายัดก่อนหน้านี้เจรจากับมุสริกีนอยู่ทั้ง ในแง่ของการตั้งคําถามและก็ตําหนิแบบแรงๆทั้งในแง่ของการตอบย้ำความจริงที่พวกเขาจะต้องเจอแต่ถ้าสมมติบอกไปแล้วตอบย้ำไปแล้วตั้งคําถามก็แล้วเรียกร้องก็แล้วยังไม่ยอมอ่ะ ย, ยังไม่ยอมตื่นยังไม่ยอมลุกยังไม่ยอมถูกยังไม่ยอมเข้าใจอ่ะพวกง่ายๆยังปิดอยู่ เราในฐานะคนบอกเนี่ยจะต้องทำยังไงท่านน บ, บีมูฮัมมัดสลุลลัลฮอัลลัมในฐานะคนที่เป็นคนแรกที่นำอิสลามให้กับบรรดามู้ชลีกีเนี่ยท่านน บ, บีควรต้องทำยังไงและพวกเราในฐานะผู้ทิ่ตามท่านน บ, บีสลุลลัลฮอัลลัมเวลาที่เราทาหน้าที่เหมือนท่านแลวคนอื่นไม่ยอมรับเราเราควรจะต้องทำยังไงเนี่ยเป็นบทสรุปของมันฮัสบิรกามะซับร่าอลุลล ดังนั้นจงอดทนเถิดอดทนต่ออะไรสั่งใครสั่งนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์อะไรอัสสลัมสั่งบรรดาคนที่ติดตามท่านไม่ว่าจะเป็นบรรดาสัฮาบะไม่ว่าจะเป็นบรรดาอุลามะไม่ว่าจะเป็นพวกเราทุกคนถ้าเราทําตามเราเป็นพวกเดียวกันกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์อัสสลัมเราก็จะเจอเหมือนกับที่ท่านนบีเจออาจจะแตกต่างท่านนบีเนี่ยเจอหนักกว่าเราแน่นอน อัลลอฮฺตรัสเล่าว่าอย่างไงอัศบรฟัศบรจงอดทนเถิดมูฮัมมัดอาริยะติลมุคัซดิบีอลมาดีนละต่อความเดือดร้อนที่บรรดาพวกมุชริกินนั้นแสดงออกมาพฤติกามก้าวร้าวที่คนเหล่านี้แสดงออกมาต่อเจ้าอ้มมฮัมมัดอดทนเถิดอดทนต่อไปนะ و อัลลอยังจล่าอาญ์ล่ฮ์มอิลลาห์ลาให้ทําหน้าที่ต่อไปอย่ายุดวันนี้เขาไม่ยอมรับ เ, เราก็ทําต่อไปพรุ่งนี้เขาไม่ยอมรับเราก็ทําต่อไปกี่วันกี่วันเราก็ยังต้องดํารงอยู่บนเส้นทางในการเรียกร้องไปสู่ความจริงเช่นนี้ตลอดไปนะอดทนต้องอดทนนอกจากจะต้องอดทนแล้วหนึ่งในจํานวนวิธีการที่อดทนก็คือวะลาตสตาจินละฮ์ฮ แคมาซบบรอุลอัลมีมินรุุลอดทนจนขนาดไหนอดทนเหมือนกับบรรดาอุลลอัจมจากบรรดาอัมเบียอุลลอัมีหมายถึงใครครับหมายถึงนบีนบีบันดานบีแบบไหนอุลลอัมีพวกเรารู้จักไหมรัูลอุลลอัลมีอุลามะบางคนก็บอกว่ารัสูลทุกคนเป็นอุลลอัลมีหมดเลย เพราะเราสู้ทุกคนต้องเจอกับการทดสอบต่างๆนานามากมายแต่ทัศนะที่น่าจะเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยระบุระบุเลยว่ากี่คนใครบ้างครับออยู่ในโูล่าไหนใครพอจะจำได้บ้างอุลุลอัซมีนี้มีใครบ้างเอาเริ่มเลยคนแรกใครคนแรกใคร รู้ส e <us> uh> euh, ึกถ้าจะไม่ผ <k suspenseful> ิดจะอยู่ในสเราทุลอฮฺซาบเดี๋ยวผมเปิดอายัดนิดนึงเนาะให้มันเป็นแหล่งอ้างอิงพวกเราจะได้ไปดูต่อสุรทูลอฮฺซาบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับ ว่า ا ั้ ن เ ا าข้อหนึ่งในสุรทูละเอียดข้อที่เจ็ดว่าดั้งเอาข้อหนึ ن งในสุรทูละเอียดข้อที่เจ็ م ว่าดั้งหนึ่งน و ุรทูละเอียดข้อที่เจ็ดว่าดั้งเอาข้อหึงวันทียอั้เอาขหนึุะวอาลาั้นด้ Ham sanya kepada Nabi. w a m i n k a w a m i n k a k a t u min Muhammad. 1. Kau tahu, Nabi, Nabi Muhammad. w a m i n n u 2. Nabi, Nabi Nu. w a Ibrahim, 3. Ibrahim. w a Musa, Nabi, Musa. w a Isa bin m a r y Isa bin Maryam. Laka Isa bin Maryam. Nah, ada di dalam Surah Al-Ahzab ayat 10. Bagaimana ulul Azmi, kau benda ulama. ที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือนูอิบรอฮีมถ้าเรียงลำดับจากช่วงสมัยก็คือนูอิบรอฮีมมูซ่าแล้วก็อิสระห้าคนนี้อดทนยังไงลองกลับไปดูสินะบีนนูอดทนยังไงเก้าร้อยกี่ปีห้าสิบปีอัลลอฮฺว่าอิบรอฮิมอดทนยังไงอิบรอฮิมเนี่ยสุดยอด ถูกถูกนำลงไปถูกโยนลงไปในในกองเพลิงแล้วอดทนได้ยังไงอยู่ในกองเพลิงน บ, บีมูซาอดทนกับใครน บ, บีมูซา่าอย่า Allah ไม่ได้อดทนเฉพาะกับฟิร์อานะมูซ่าเนี่ยอดทนกับฟิร์อาว์ยังไม่พอต้องมาอดทนกับบนันีอิสราเอลของตัวเองอีก Astaghfirullah <laughs> แล้วสุดท้ายก็นบีอิสซาละฮิสสลามต้องอดทนกับบรรดาอุลกิตาบ ที่พยายามจับกุมท่านเพื่อจะไปกางเขตแต่ลอสซาบัลละก็ไม่ได้ให้นบีสารนั้นถูกกางเขนแต่อย่างไดเห็นไหมท่านนาบีเนี่ยได้รับคําสั่งให้อดทนเหมือนกับบรรดานาบีก่อนหน้านี้ในฮาเดซี่ไ อ, อาชาบอกว่าท่านนาบีเนี่ยละหมาดขยันละหมาดมากละหมาดเยอะมากถือศีลอดเยอะมากไอาชาเก็ถามว่าทําไมต้องทํามากมายขนาดนี้ท่านนบีท่าน น, า บ, า น, นาบีสลอลสลัมก็บอกว่าเนี่ยฉัน ฉันกำลังทำตัวเองให้อดทนเหมือนกับที่บรรดานาบีก่อนหน้าฉันเนี่ยได้อดทนมาก่อนนี่คืออายักที่บอกว่าความอดทน เ, เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเฉพาะที่เราต้องคุยมันมีประเด็นเยอะมากที่เราต้องคุยเรื่องความอดทนความอดทนเป็นทั้งเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยยืนหยัด อยู่ในโลกดุนีย์นี้ท่ามกลางวิกฤตมากมายเหลือเกินที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะอดทนกับตัวเองอดทนกับครอบครัวอดทนกับชุมชนอดทนกับสังคมอดทนกับผู้ปรับกับศัตรูอดทนกับภัยพิบัติธรรมชาติอดทนกับโอ้เยอะแยะมากมายหลายมิติมากความอดทนน่คุยคุ ย, ค, ยครั้งเดียวไม่พอต้องคุยกันหลายหลายครั้งอย่า Allah ความอดทนเป็นหนึ่งในจานวนเครื่องมือที่อัลตัลาให้คู่กับการละหมาดวัสต์ไอนูวิสซบรวัสาล่่อสุลลัลลมได้รับคาสั่งนี้ฟัิรมซบะอุลลลซมมินัรุุลวะลาตัสตะจินละอุมและอย่าได้รีบเร่งในการที่จะขอดูอัลฮะตัลลาลงโทษพวกเขาซุบฮนับอนี่ก็เป็นหนึ่งในจานวน ภาพแห่งความเมตตาพี่น้องครับเราไปเชิญชวนเขาเราไปเรียกร้องเขาเขาทำไม่ดีกับเราอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งขอดูอาให้คนเขาต้องเจอกับความหาย น, นะเดี๋ยวก่อนสุภ า, านั่นแหนี่มุสลิมต้องเป็นแบบนี้เวลาที่ใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งท่ะบขอให้มันไปตายตายซะขอให้มันเจอเรื่องร้าย มิมันพักของอัลกุรอานอลกอรีลที่ท่นนานเบบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซายด์ ล, ลวะล ว, ว, ลล ว, ว, วะละ ah um บอกว่าและไม่ต้องให้มีความเมตตาไว้ก่อนเห็นไหมยังมีความเมตตาอยู่เมตตาในการบอกพวกเขาแล้วยังมีความเมตตาในการที่จะอย่าเพิ่งขอดุอาให้เขาเกิดกับความอายนะต้องระ ง, งับตัวเองไม่ให้ขอในเรื่องแบบนี้กับเขา a l บ a h ล أ ك ب ر لا إله إلا الله นี่นี่เป็นคุณธรรมที่แบบเรายังเรายังไม่รู้ว่าจะบอกว่าตัวเองได้คะแนนในเรื่องนี้กี่คะแนนแล้วเรายังไม่กล้าที่จะพูดอ่ะเพราะบางทีเราอะ่ะย่าว่าแต่กับคนคนกาแฟแม้กระทั่งกับคนมุสลิมเองเราก็ยังกล้าที่จะพูดอย่างนี้บางทีกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมกันเองเนี่เราก็โหไม่ไม่ระวังเลยไม่ ไม่เก็บไม่ระงับเลยอะฟาดได้ฟาดเลยเราเองกับคนมุสลิมกันเองแล้วไม่ต้องพูดถึงกับคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยโอ้ยเนี่ยต้องระวังด้วยวันแรกตั้งใจจะละหุ่มยารีในการที่จะคอให้เขาเจออย่างงงเจออย่างนี้ถ้าหากเขายัางคงยังคงดื้ออยู่ไม่เป็นไรสอบบัไปก่อนทํำหน้าที่ของเราไปก่อนว่ากัน ต, ตามเรื่องแต่อย่าอย่าเผยสิ่งที่มัน นะท่านนาบับดุลเลาห์ใช้เวลา950ปีแล้วเพิ่งจะขอดูอ่าเราเนี่คุยกันชั่วโมงเดียวคุยกันหนึ่งนาทีสองนาทีเราก็ขอให้เขาแล้วใช่เหรอยังไม่ใช่นะครับต้องต้องอดทนให้มากๆออัลลอฮและอิลละฮิลลอฮนี่แหละนะถ้าไม่ใช่ว่าอัลลอ์ต้าให้ความอดทนกับเราเราก็ไม่อดทนหรอกนะัความอดทนของเราเนี่ยเกิดมาจากการที่อัลลประทานเมตตาของพระองค์ให้กับ ให้กับเรานี่แหละนั่น ต, ต, ต, ต้องขอจากอัลลอลาให้เราเป็นคนที่มีความอดทนนะกอันนาฮุมยอมาเยราุนมายูอาดูนลลมย์ลบซูอิลลาสา ع ة ตมินนฮาประนึ่งว่าในวันที่พวกเขามาถึงวันอะเคร์เนี่ยวันที่พวกคนเหล่านี้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้จะปรากฏแก่พวกเขาเหมือนกับว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้เกินกว่าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งในปัจจัยหรือว่าเหตุผลที่เราไม่จําเป็นต้องรีบให้คนเหล่านี้เจอกับการลงโทษไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะวันหนึ่งคนเหล่านี้จ้องต้องเจอแน่นอนเราไม่ต้องขอให้เขาเจอกับความหายนะหรอกในโลกดุนยานี้เพราะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ยอมรับจริงๆ วันหนึ่งเขาก็ต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบให้เขาเจอหนึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้เผื่อว่าเขาจะกลับตัวเป็นเรื่องที่เราต้องการมากกว่าให้เขาเจอกับความไหยนะอีกถ้าจะขอดูอาเนี่ยขอดูอาให้เขาเปิดใจดีกว่าขอดูอาให้ลาตาราเปิดใจเขาดีกว่าอย่าขอดูอาให้เขาหายนะเลยขอดูอาให้เขาเปิดใจเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เปิดใจเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องเจอกับการลงโทษของลอสบอสตาล่แล้วพอถึงวันนั้นจริงๆความรู้สึกของคนที่ถูกลงโทษจากลอสบอสตาลจะรู้สึกว่าทั้งหมดชีวิตตลอดชีวิตที่เขามีความสุขอยู่ในโลกดุ น, ยนียนี้มันสั้นมากๆ ม, มันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับช่วงเวลาที่เขาจะต้องลงโทษถูกลงโทษกับกับลบตาลาในวันอาร์ เหมือนกับมกมินก็เหมือนกันโมกมินเวลาที่เข้าสวรรค์ความสุขในสวรรค์เนี่ยจะทําให้เราลืมความทุกข์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในในดุน尼亚ตอนนี้ไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนแม้ว่าเราจะลําบากแค่ไหนพอเราเจอกับเรื่องสบายในวันอาคีรักเนี่ยในดุ尼亚ในในสวรรค์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ตอนที่ฉันทุกข์อยู่ในดุ尼亚เนี่ยไม่มีเลยไม่ได้ทุกข์เลยลืมหมดแล้วเช่นเดียวกับชาวนารก ชาวนารกเวลาที่ต้องเจอกับการลงโทษในนรกเนี่ยความสุขทั้งหมดความสบายทั้งหมดอะไรก็ตามที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดในโลกดุนยานี้ลืมหมดแล้วไม่มีอะไรเลยที่มีความสุขในดุนยาเพราะว่าตัวเองกำลังโดนโดนลงโทษกับอัลลอฮฺสุบัยตัลลอฮฺอัลลอฮฺตัลลากาลังลงโทษเขาอยู่ในในนรกจันทร์นะอัสซาดุลลอห์วะจุเบลเวเพราะฉะนั้นนึกไอดีก่อนจะตัดสินใจทําอะไร เพราะว่านี่คือชีวิตทั้งชีวิตของเราทุกคนนะครับบลาบลาบลาเนี่ยมีตัเบิออกแบบส อ, ส, อสองความหมายออกมาบลานหนึ่งในคดัเบก็คือบอกว่าดุนยานี้คือสเบียงนี่คือความหมายทีนึงเชกเะดีบอกว่าบลาฟนไอ้ฮาดิฮ ด, ดุนยามะตาห์เหว่ชเวตุห์เหวลล์ซาตุหบุลก์นมุนรัตช์ อเมนั้งซ์พะวเดฟะดฟะวัต حاضر น์คลิลความสุขทั้งหมดในโลกดุนียะเนี่ยเหมือนเป็นทุนสําหรับอัคราถ้าคุณใช้ทุนทั้งหมดในโลกดุนียะเนี่ยจนหมดสิน้นไม่ได้เตรียมเพื่ออัคราถพาถึงวันอัคราเมันยังไงจบไม่เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งดัง น, นั้นใช้ทุนในวันอัคราไอในโลกดุนียะนี้ให้ดีเพื่อที่จะไปรับกําไรในวันอัคราหรือ อีกคมหนึ่งนะนี ي ي ่หมายถึงว่าเพราะว่าอันที่เรางเรียนอยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเอามาบอกเจ้าอัลฮักความจริงทั้งหมดที่เราบอกเจ้าเนี่ยนี่แหละคือ ความจริงที่พยายามจะพูดให้เจ้าเนี่ยเห็นแจ้งเห็นกระจางแจ้งทุกอย่างในชีวิตของเจ้าบาลา่ามีอะไรอีกที่ยังไม่แจ้งะมีอะไรอีกที่ยังไม่กระจางที่จะทำให้เจ้าเนี่ยรู้จักอัค hirah บอกมาคนที่เรียนอัลกุรอานเนี่ยยังไม่กระจางตวันอาค h i ะ a เนี่ยบอกมาตรงไหนที่ยังไม่กระจาง ไปไม่ได้ใครที่เรียนอัลกุรอานต้องมีความสุดท้ายเขาจะกระจางกับวันอัคิรัชและความกระจางต่อวันอัคคีรัชผ่านการที่เขาเรียนอัลกุรอานนี่แหละคือสเสบียงที่จะทำให้เขานั้นปลอดภัยในในวันอัคิรัชต่อไปนี่คือบาลาดุเนียคือบาลาคือสเสบียงและอัลกุรอานก็คือบาลาคือความกระจางแจ้ง สำหรับมนุษย์ที่กำลังเดินทางกลับไปสู่อาคิรีรอต์แล้วในเมื่อทุกอย่างมันกระจางในเมื่อนยาเนี่ยคือต้นทุนสำหรับเราคนที่ไม่ยอมใช้ต้นทุนนี้แล้วคนที่รู้เรื่องความกระจางทั้งหมดนี้แล้วยังไม่ยอมมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ทุกอย่างกระจางแล้วคนที่จะหายนะก็คือคนที่เป็น อัลฟาซปูนมีใครอีกที่จะถูกทำให้หายนะนอกจากบรรดาคนฟาสิกคนฟาสิกก็คือคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ละานี่คือคนฟาสิกเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในดุนียานี้รู้จักดุนียารู้จักใช้ทุนในดุนียาเพื่อกลับไปสู่เส้นทางของล อ, ง ก, องกวาต่า รู้จักใช้อัลกุรอานเนื้อหาต่างๆที่มันกระจางแจ้งเพื่อทำให้เข้าเข้าใจชีวิตเข้าใกล้อัลลอฮฺเราต้าลาคนเหล่านี้ไม่หายนะแน่นอนคนที่หแยนะคือใครอยู่ในดุ نية แต่ใช้ดุ ن ยาเพื่อเพื่อฮาวานับสูนะอัลต้าลาห้ามอะไรเอาหมดอัลต้าลาสั่งอะไรไม่เอาสักอย่างอันนี้แหละคือคนฟาเซคนที่ใช้ดุ ن ي าในทางที่ผิดอัลกุรอานบอกอย่างนี้ไม่ยอมฟังอัลกุรอานบอกอย่างนั้นไม่ยอมใช้ อดิสนาบีบอกอย่างนี้ไม่สนใจนี่แหละคือคนลาสเซกเปัจจัยแห่งความสำเร็จมีอยู่พร้อมตัวเองไม่เอาเองเหมาะหรือยังที่จะเจอกับความขาดทุนและความหยายนะในวันอัคราต่อไป ولعياذو بالله من ذلك لا ح و อ و ل นะครับเพราะฉะ น, ะ น, ะ น, ะนั้นในเมื่อมีบาลาเราไม่เอาบาลาเราก็จะเจอกับความหลงทางบอลล และในวันอะเครอเราก็จะเจอกับความหายนะหรือความหายนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นบทสรุปจากสุรัตน์อาคอกอย่างที่บอกนะครับเป็นเนื้อหาที่ต้องการให้เรานั้นให้มั่นคงกับอะเครอพยายามอธิบายหลักฐานต่างๆพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดุนีย์นี้จากประชาชาติที่เคยถูกทําลายมาก่อนเยอะเพราะอย่างยิ่งประชาชาติที่เคยมีความแข็งแกร่งอย่างพวกอาร์ต ลัทตะลาทำลายยังไงสำหรับคนที่ไม่ยอมรับในความเกลี่ยนกปายของลาทธิตะลานะครับอัลฮัมดุลิลละอัลลดีวินะมาติกิตะจิมุตซอลก็วังว่าน่าจะเป็นบทเรียนกับเรามากมายนะครับในการที่เราจะกำหนดบทบาทและเส้นทางของเราให้ถูกต้องจนถึงวันที่เราจะได้กลับไปหาลัตละลาสักวันหนึง่งในวันอาคิีรอชนั่นเองขอให้เรานั้นดินสัสรา้าตลมุสต์เีมซีราทท่าตลละีนอนมตะอลม ไตรมาสดุบ عليهم مرضى الله و ف ق الله و ا الله وإياكم بما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يسيفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى الس على السلام عليكم ورحمة الله وبركات